13. บสาอ น, นุนญญาตะสมุทฐานสองอนเนุนญญาตะสิกขาบทว่าด้วยการบวชให้สิกขานาที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางจิตเกิดทางกายกับวาจาไม่ใช่เกิดทางจิตเกิดทางวาจากับจิต มิใช่เกิดทางกายและเกิดทางทวารทั้งสามจึงมีสี่สมุดฐานไม่ซ้ำกันอ น, นันญุญาตะสมุดฐานจบ